ประภาคตรัสต่อไปว่าเมื่อใดภิกษุถูกภัสสะกระทบเมื่อนั้นเธอก็ไม่พึงทำความคลั่งครวญในที่ไหนๆ ไ, ไม่พึงคาดหวังพบและไม่พึงกระสับกระสายในเพราะอารมณ์ที่น่ากลัวว่าด้วยโรคต่างๆคำว่าเมื่อใดภิกษุถูกภัสสะกระทบอธิบายว่าภิกษุถูกภัสสะกระทบเพื่อถูกโรคกระทบครอบงำกลุ่มรุม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 กลากมองค่อลมบ้าหมูขิดเปื่อยขิดด้านขิดหูดโรคละลอกโรคดีซ่านโรคเบาหวานโรคเริมโรคผู้พองโรคฤสีดวงทวารความเจ็บป่วยที่เกิดจากดีความเจ็บป่วยที่เกิดจากเสมหะความเจ็บป่วยที่เกิดจากลมไข้สันนิบาตความเจ็บป่วยที่เกิดจากการปลิ่นฤดู ความเจ็บป่วยที่เกิดจากการผลัเปลี่ยนอิริยาบถไม่ได้สวนกันความเจ็บป่วยที่เกิดจากความภาคเพียงเกินกำลังความเจ็บป่วยที่เกิดจากผลกรรมความหนาวความร้อนความหิวความกระหายปวดอุจจระปวดปัจจาวะความเจ็บป่วยที่เกิดจากสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานกระทบครอบงำกลุ่มรุมประกอบเข้ารวมความว่า เมื่อใดภิกษุถูกภัตตากระทบคำว่าเมื่อนั้นเธอก็ไม่พึงทำความแคลงโครวญในที่ไหนไหนอธิบายว่าไม่พึงทำคือไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดขึ้นไม่ให้บังเกิดไม่ให้บังเกิดขึ้นซึ่งความบ่นเพอ้อความคร่มครวญคือกริยาที่บ่นเพอ้อริยาที่คล้มครวญภาวะที่บ่นเพอ้อภาวะที่คล้มครวญการพูดพร่การพูดเพอ้อ การพูดเพอเจอ้อความพร่มเพอกิริยาที่พร่มเพอภาวะที่พร่มเพอคำว่าในที่ไหนไหนได้แก่ในที่ไหนเคอที่ไหนไหนที่ไรๆภายในภายนอกหรือทั้งภายในและภายนอกรวมความว่าเมื่อนั้นเธอก็ไม่พึงทําความคร่ําครวญในที่ไหนไหนคําว่าไม่พึงคาดหวังพบได้แก่ ไม่พึงหวังไม่พึงมุ่งหวังไม่พึงคาดหวังกลามาพบรูปพรปพบรูปปพบรวมความว่าไม่พึงคาดหวังพบว่าด้วยภัยและความขลาดกลัวคำว่าและไม่พึงกระสับกระส่ายในเพราะอารมณ์ที่น่ากลัวอธิบายว่าคำว่าความน่ากลัวได้แก่ทั้งภัยและความขลาดกลัวมีความหมายอย่างเดียวกันนั่นเอง สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภัยความขลาดกลัวนั้นคือสิ่งนี้เป็นแน่บุคคลไม่พึงละเสียมันก็จะมาหาภัยนั้นเรียกว่ามีวัตถุภายนอกเป็นอารมณ์คือราชสีเสือโครง่งเสือเหลืองหมีเสือดาวสุนักป่าโครกระบือมา้าช้างงูแมงป่องตะขาบโจรหรือคนที่ได้ก่อกรรมไว หรื อ, อยังไม่ได้ก่อกรรมไว้อีกในหนึ่งด้วยความหมายต่างกันความกลัวอาการกลัวความหวาดหวัน่นขนพองสยองกล้าวความหวาดเสียวความสะดุ้งแห่งจิตที่เกิดขึ้นภายในมีจิตเป็นจมุติฐานเรียกว่าภายัยคือชาติภยัยชราภายัพยพญาทิภยัยมรณะภยัยราชภายัยโจรภยัยอากีภัยอุทกภยัย อตานุวาทภัยภัยเกิดจากการติเตียนตนปารานุวัทภัยภผยเกิดจากการติเตียนของผู้อื่นธันทภัยภัยจากอาญาทุคติภัยภัยในทุคติอูมิภัยภัยจากคลื่นกุมมะพีลภัยภัยจากเจร์เคอวัตตะไผ่ไผจากน้ำบนสูงสุการภัยภัยจากปลาร้ายอาชีวิกละไผ ภัยจากการหาเลี้ยงชีพอาสิโลกภัยภัยคือความเสื่อมเสียชื่อเสียงปริจายะสารชภัยภัยจากความเคร่งครามในชุมชนทุคติภัยเหตุที่น่ากลัวความหวาดเสียวขนพองสยองกล้าวใจหวาดเสียวความสะดุง้งคาว่าและไม่พึงกระสับกระส่ายในเพราะอารมณ์ที่น่ากลัวอธิบายว่า ภิกษุเห็นหรือได้ยินสิ่งที่น่าจะเพรึงกลัวก็ไม่พึงหวั่นไหวไม่พึงสั่นเทาไม่พึงกระสับกระสายคือไม่หวาดเสียวไม่ครั่องครามไม่เกรงกลัวไม่หวาดกลัวไม่ถึงความสะดุ้งได้แก่พึงเป็นผู้ไม่ขาดไม่หวาดเสียวไม่สะดุ้งไม่หนีพึงเป็นผู้ละภัยและความขาดกลัวได้หมดหมดความขนพองสยองกล้าวด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเมื่อใดภิกษุถูกผัสสะกระทบเมื่อนั้นเธอก็ไม่พึงทำความคร่งครวญในที่ไหนไหนไม่พึงคาดหวังพบและไม่พึงกระสับกระส่ายในเพราะอารมณ์ที่น่ากลัวหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุได้ข้าวก็ดีน้ำก็ดีของขบเคี้ยวก็ดีผ้าก็ดีแล้วไม่ควรทำการสะสม เมื่อไม่ได้ข้าวเป็นต้นเหล่านั้นก็ไม่พึงสะดุ้งว่าด้วยข้าวน้ำและของขบเคี้ยวคำว่าข้าวในคำว่าข้าวก็ดีน้ำก็ดีของขบเคี้ยก็ดีผ้าก็ดีได้แก่ข้าวสุก ข, ขนมกุ่มมากขนมสดข้าวผงสัตตุปลาเนื้อคำว่าน้ำได้แก่น้าปาณแปดอย่างคือหนึ่งน้ำมะม่วง 2. น้ำว่าสน้ำกล้วยมีเมล็ดสน้ำกล้วยไม่มีเมล็ดหน้ำมะสางหน้ำลูกจันหรือน้ำองุ่นน้ำเง้าบัว 8. น้ำมะปรางหรือน้ำลิ้นจี่น้ำปาหน้าอีกแปดอย่างคือหนึ่งน้คสระสองน้ำผลเล็กเยี่ยวสน้ำพุซาสน้ำเปรี่ยง 5. ้าน้ำผสมน้ำมันห น, น้ำข้าวยาขู่เจ็ดน้ำนม 8. ปน้ำรถคำว่าของขบเคี้ยวได้แก่ของขบเคี้ยวทำด้วยแป้งของขบเคี้ยวทำเป็นขนมของขบเคี้ยวทำด้วยหัวรากของขบเคี้ยวทำด้วยเปลือกไม้ของขบเคี้ยวทำด้วยใบไม้ของขบเคี้ยวทำด้วยดอกไม้ของขบเคี้ยวทำด้วยผลไม้ คำว่าผ้าได้แก่จีวรหกชนิดคือหนึ่งขมโผ้าเปลือกไม้สองกัปปาจิกกะผ้าฝ้ายสามโกเสยะผ้าไหมสี่ 4. กรมพละผ้าขนสัตว์ห้าสานะผ้าปานหกพังคะผ้าที่ทำด้วยวัสดุผสมกันรวมความว่าข้าวก็ดีน้ำก็ดีของขกเคี้ยวก็ดี าดีคำว่าได้แล้วในคําว่าได้แล้วไม่ควรทำการสะสมได้แก่ได้แล้วคือได้รับแล้วสมหวังแล้วประสบแล้วได้เฉพาะแล้วม่ใช่ด้วยการโกหกไม่ใช่ด้วยการพูดเรียบเคียงมิใช่ด้วยการทำนิมิตมิใช่ด้วยการคำจัดคุณเขามิใช่ด้วยการต่อลาบด้วยลาบม่ใช่ด้วยการให้ไม้มิใช่ด้วยการให้ไม้ไผ่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 มิใช่ด้วยการขัดต่างตีชนิกเขามิใช่ด้วยวิชาดูพื้นที่มิใช่ด้วยเดรชาวิชามิใช่ด้วยวิชาทำนายลักษณะอวัยวะมิใช่ด้วยวิชาดูเริ่ยามมิใช่ด้วยการเดินทำหน้าที่ทูดมิใช่ด้วยการเดินเป็นคนรับใช้มิใช่ด้วยการเดินสื่อสารมิใช่ด้วยเวชกรรมมิใช่ด้วยนวกรรม มิใช่ด้วยการใช้ก้อนข้าวตอบแทนก้อนข้าวมิใช่ด้วยการให้และการเพิ่มให้แต่ได้แล้วเคยได้รับแล้วสมหวังแล้วประสบแล้วได้เฉพาะแล้วโดยชอบธรรมโดยยุติธรรมรวมความว่าได้แล้วคำว่าไม่ควรทำการสะสมได้แก่ไม่ควรทำเคอไม่ควรให้เกิดไม่ควรให้เกิดขึ้นไม่ควรให้บังเกิด ไม่ควรให้บังเกิดขึ้นซึ่งการสะสมเข้าสุกการสะสมน้ำเด่มการสะสมผ้าการสะสมยาณการสะสมที่นอนการสะสมของหอมการสะสมอา mith รวมความว่าได้แล้วไม่ควรทำการสะสมคำว่าเมื่อไม่ได้ข้าวเป็นต้นเหล่านั้นก็ไม่พึงสะดุง้งอธิบายว่าพิสุไม่พึงหวาดเสียวไม่พึงครั่นคร้าม ไม่พึงเกรงกลัวไม่พึงหวาดกลัวไม่พึงถึงความสะดุ้งกลัวว่าเราไม่ได้เข้าสุขไม่ได้น้ำดื่มไม่ได้ผ้าไม่ได้ตระกูลไม่ได้หมู่คณะไม่ได้อาวาดไม่ได้ลาาไม่ได้ยศไม่ได้สรรเสริญไม่ได้สุขไม่ได้จีวรไม่ได้บินทบาทไม่ได้เสนาสนะไม่ได้กีฬานปัจจัยเพศาบริขารไม่ได้ผู้พยาบาลเวลาเจ็บป่วยไม่เป็นผู้มีชื่อเสียงปรากฏ เพอพึงเป็นผู้ไม่ขลาดไม่หวาดเสิวไม่สะดุ้งไม่หนีพึงเป็นผู้ละภัยและความขลาดกลัวได้แล้วหมดความขนพองจะยองกล้าอยู่รวมความว่าเมื่อไม่ได้ข้าวเป็นต้นเหล่านั้นก็ไม่พึงสะดุ้งด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุได้ข้าวก็ดีน้ำก็ดีของขกเคี้ยวก็ดีผ้าก็ดีแล้วไม่ควรทําการสะสม เมื่อไม่ได้ข้าวเป็นต้นเหล่านั้นก็ไม่พึงสะดุ้งหนึ่งหสพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุ พ, พึงเป็นผู้มีฌานไม่พึงเป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุขพึงเว้นจากความขนองไม่พึงประมาท และพึงอยู่ในที่นั่งที่นอนที่มีเสียงน้อยว่าด้วยผู้มีฌานคําว่าพึงเป็นผู้มีฌานในคําว่าภิกษุพึงเป็นผู้มีฌานา wen wen ไม่พึงเป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่ส <kay> uh ุขอธิบายว่าเป็นผู้มีฌานด้วยปถมฌานบ้างด้วยทุติยฌานบ้างด้วยตติยฌานบ้างด้วยจตุทชฌานบ้างด้วยฌานที่มีวิตตกและวิจารเป็นอารมณ์บ้าง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 ด้วยฌานที่เป็นอนิมิตะบ้างด้วยฌานที่เป็นอปนิหิตะบ้างด้วยฌานที่เป็นโลกิยะบ้างด้วยฌานที่เป็นโลกุตระบ้างเพื่อเป็นผู้ยินดีในฌานขนไควในความเป็นผู้มีจิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวนักในประโยชน์ของตนรวมความว่าพึงเป็นผู้มีฌานคำว่าไม่พึงเป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุขอธิบายว่า พิสุเป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุขเป็นอย่างไรคือพิสุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุขคือประกอบด้วยความเป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุขจึงเป็นผู้ขนขวายใน ก, การเที่ยวไปนานการเที่ยวไปไม่มีจุดหมายแน่นอนจากอารามหนึ่งไปสู่อีกอารามหนึ่งจากอุทยานหนึ่งไปสู่อีกอุทยานหนึ่งจากบ้านหนึ่งไปสู่อีกบ้านหนึ่งจากนิคมหนึ่งไปสู่อีกนิคมหนึ่ง จากนครหนึ่งไปสู่อีกนครหนึ่งจากรัฐหนึ่งไปสู่อีกรัฐหนึ่งจากชนบทหนึ่งไปสู่อีกชนบทหนึ่งพิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุขเป็นอย่างนี้บ้างอีกนายหนึ่งพิกษุประกอบด้วยความเป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุขภายในสังขารามมิใช่เพราะเหตุแห่งประโยชน์มิใช่เพราะเหตุแห่งกลางกระทําแต่เป็นผู้ฟุ้งซ่านมีจิตใจไม่สงบ เดินจากปริเวณหนึ่งไปสู่อีกบระเวณหนึ่งจากวิหารหนึ่งไปสู่อีกวิหารหนึ่งจากเรือนหลังคาด้านเดียวไปสู่เรือนหลังคาด้านเดียวอีกแห่งหนึ่งจากประสาทหนึ่งไปสู่อีกประสาทหนึ่งจากเรือนล้นหลังหนึ่งไปสู่เรือนโล้นอีกหลังหนึ่งจากถ้ำหนึ่งไปสู่อีกถ้ำหนึ่งจากที่หลีกเรนแห่งหนึ่งไปสู่ที่หลีกเรนอีกแห่งหนึ่งจากกูดีหนึ่งไปสู่อีกคูดีหนึ่ง จากเรือนยอดแห่งหนึ่งไปสู่เรือนยอดอีกแห่งหนึ่งจากป้อมหนึ่งไปสู่อีกป้อมหนึ่งจากปรมหนึ่งไปสู่อีกปรมหนึ่งจากเรือนที่พักแห่งหนึ่งไปสู่เรือนที่พักอีกแห่งหนึ่งจากโรงเก็บของแห่งหนึ่งไปสู่โรงเก็บของอีกแห่งหนึ่งจากโรงฉันแห่งหนึ่งไปสู่โรงฉันอีกแห่งหนึ่งจากมนทนแห่งหนึ่งไปสู่มนทนอีกแห่งหนึ่งจากโคนต้นไม้แห่งหนึ่งไปสู่โคนต้นไม้อีกแห่งหนึ่ง เดินไปที่ที่พวกพิสษุนั่งกันอยู่เป็นที่สองของพิสุหนึงรูปเป็นที่สามของพิสุสองรูปหรือเป็นที่สี่ของพิษุสามรูปในที่นั้นนั้นพูดเรื่องเพอเจอมากมายในที่นั้นคือเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหาอมาตย์เรื่องกองทัพเรื่องไผ่เรื่องการรบเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องยาเรื่องที่นอนเรื่องระเบียบดอกไม้ เรื่องของหอมเรื่องญาติเรื่องบ้านเรื่องนิคมเรื่องเมืองเรื่องชนบทเรื่องสตรีเรื่องบุรุษเรื่องคนกล้าหาญเรื่องตรอกเรื่องท่าน้ำเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้วเรื่องเบตดตเลดเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องความเจริญและความเสื่อมภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุขเป็นอย่างนี้บ้างว่าด้วย เรื่องผู้มีเท้าอยู่ไม่สุขคำว่าไม่พึงเป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุขอธิบายว่าพึงละบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความเป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุขเพื่อพึงเป็นผู้งดงดเว้นเว้นขาดออกสลัดออกหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุขมีใจเป็นอิสระจากกิเลสอยู่เพื่อประพฤติประพฤติโดยเอือ้อเฟื้อ เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดำเนินไปยังชีวิตให้ดำเนินไปพึงเป็นผู้พอใจในความหลีกเร้นยินดีในความหลีกเร้นมันประกอบความสงบแห่งจิตภายในไม่ห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มพูนการอยู่ในเรือนว่างมีฌานเป็นผู้ยินดีในฌานขนขวามในความเป็นผู้มีจิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวหนักในประโยชน์ตนรวมความว่า พิสุพึงเป็นผู้มีฌานไม่พึงเป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุขคำว่าความขนองในคำว่าพึงเว้นจากความขนองไม่พึงประมาทอธิบายว่าความขนองมือชื่อว่าความขนองความขนองเท้าชื่อว่าความขนองความขนองมือและเท้าก็ชื่อว่าความขนองความสำคัญในสิ่งที่ควรว่าไม่ควร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 คือหนึ่งเพราะทำสองเพราะไม่ทำความคนองความเดือดร้อนจิตใจฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเพราะทำและเพราะไม่ทำเป็นอย่างไรคือความคนองความเดือดร้อนจิตใจฟุ้งซ่านเกิดขึ้นว่าเราทำกายทุจริตไม่ทำกายสุจริตเราทำแต่วจีทุจริตไม่ทำวจีสุจริตเราทำแต่มโนทุจริตไม่ทำมโนสุจริตเราทำแต่ปานาติบา ไม่ทำความงดเว้นจากปาณาติบาตเราทำแต่อธินนาทานไม่ทำความงดเว้นจากอธินนาทานเราทำแต่กราเมสุมิชฌาจารไม่ทำความงดเว้นจากกาเมสุมิชาจารเราทำแต่มุสาวาทไม่ทำความงดเว้นจากมุสาวาทเราทำแต่ปิสุนาวาจาไม่ทำความงดเว้นจากปิสุนาวาจาเราทำแต่พรุสวาจาไม่ทำความงดเว้นจากพรุสวาจา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 ไม่กำหนดรู้ทุกข์ไม่ละสมุทัยไม่เจริญมักความขนองความเดือดร้อนจิตใจฟุ้งซ่านเกิดขึ้นว่าเราไม่ทำนิโรธให้ประจักษ์แจ้งคำว่าพึงเว้นจากความขนองอธิบายว่าพึงงดเว้นเว้นข่าจากความขนองคือพึงละบันเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความขนองได้แก่พึงเป็นผู้งด งดเว้นเว้นขาดออกสลัดออกหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องกับความขนองมีใจเป็นอิจระจากกิเลสอยู่รวมความว่าพึงเว้นจากความขนองว่าด้วยความไม่ประมาทคำว่าไม่พึงประมาทอธิบายว่าพึงเป็นผู้ทำโดยเอื้อเฟื้อทำติดต่อทำไม่หยุดประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ละความพอใจไม่ทอทุระชื่อว่า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 หรือพึงใช้ปัญญาตามรักษาศีละครที่บริบูรณ์ในข้อนั้นๆโดยอุบายอย่างไรดังนี้ชื่อว่าไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายว่าเราพึงทําสมาธิขันปัญญาขันวิมุติขันวิมุติญาณทัศนะขันที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์โดยอุบายอย่างไรเพื่อความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขยันความมีเรี่ยวแรง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 รวมความว่าพึงเว้นจากความพนองไม่พึงประมาทคำว่าและในคำว่าและพึงอยู่ในที่นั่งที่นอนที่มีเสียงน้อยเป็นคำเชื่อมบทที่เป็นที่นั่งของพิกษุตรัสเรียกว่าที่นั่งได้แก่เตียงสั่งเบาเสือ่อแผ่นหนังเครื่องปูล่าทำด้วยย่าเครื่องปูล่าทำด้วยใบไม้เครื่องปูล่าทำด้วยฟาง เสนาสนะตรัสเรียกว่าที่นอนได้แก่วิหารเรือนหลังคาด้านเดียวปร า, าสาทเรือนโล้นถ้ำรวมความว่าในที่นั่งที่นอนคำว่าภิกษุพึงอยู่ที่มีเสียงน้อยอธิบายว่าภิกษุพึงเที่ยวไปพึงอยู่คือเคลื่อนไหวเป็นไปรักษาชีวิตเลี้ยงชีวิตดำเนินไป ยังชีวิตให้ดำเนินไปในเสนาสนะที่มีเสียงน้อยคือมีเสียงอึกฤทึกน้อยปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คนควรเป็นสถานที่ทำการรับของมนุษย์สมควรเป็นที่หลีกเร้นรวมความว่าภิกษุและพึงอยู่ในที่นั่งที่นอนที่มีเสียงน้อยโดยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุพึงเป็นผู้มีฌานไม่พึงเป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุข พึงเว้นจากความขนองไม่พึงประมาทและพึงอยู่ในที่นั่งที่นอนที่มีเสียงน้อยหนึ่งหกสบอ็ดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพิกษุไม่พึงหลับมากมีความเพียรเครื่องเผากิเลส พึงประกอบความเพียรเครื่องเตือนอยู่พึงละเว้นความเกียดคร้านความหลอกลวงเรื่องชวนหัวการเล่นเมถุนธรรมพร้อมทั้งการประดับตกแต่งว่าด้วยเรื่องการแบ่งเวลาคำว่าภิกษุไม่พึงหลับมากอธิบายว่าพึงแบ่งกลางคืนและกลางวันออกเป็นหกส่วนเตือนเสียห้าส่วนนอนหลับเสียหนึ่งส่วนรวมความว่า พิสุไม่พึงหลับมากคำว่ามีความเพียรเครื่องเผากิเลสพึงประกอบความเพียรเครื่องเตืร์นอยู่อธิบายว่าพิสุในธรรมวินัยนี้พึงชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมเครื่องกลางกัน้นด้วยการเดินจงกรมและการนั่งตลอดวันเพื่อชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมเครื่องกลางกัน้นด้วยการจงกรมและการนั่งตลอดปฐมยามแห่งราตรีสาเร็จการนอนอย่างราชสี สีหาสายญาติโดยตะแคงด้านขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะกำหนดเวลาตื่นไว้ในใจตลอดมัิมยามแห่งราตรีลุกขึ้นแล้วชำระจิตให้บริสุทธิ์จากทำเครื่องกลางกัน้นด้วยการเดินจงกรมและการนั่งตลอดปัจฉิมยามแห่งราตรีคำว่าพึงประกอบความเพียรเครื่องเตื่นอยู่ได้แก่พึงประกอบคือประกอบด้วยดีเศษ เศษเป็นนิดส่องเศษเศษเฉพาะความเพียรเครื Loud. ่องเตือนอยู่รวมความว่าพึงประกอบความเพียรเครื่องเตือนอยู่คําว่ามีความเพียรเครื่องเผากิเลสอธิบายว่าความเพียรตรัสเรียกว่าความเพียรเครื่องเผากิเลสเผอการปรารกความเพียรการก้าวออกการก้าวไปข้างหน้าการย่างขึ้นไปความพยายามความอุตสาหะความขยัน ความมั่นคงความทรงไว้ความบากบัานไม่ย่อหย่อนความไม่ทอดทิ้งฉันทะความไม่ทอดทิ้งธุระความประคองธุระไว้วิริยะวิริยินสีวิริ ย, รยะภะละสัมมาวายามะอันเป็นไปทางใจภิกษุผู้ประกอบประกอบพร้อมดำเนินไปดำเนินไปพร้อมเป็นไปเป็นไปพร้อมเพียรพร้อมด้วยความเพียรเครื่องเผากิเลส นีต้ตรัสเรียกว่าผู้มีความเพียรเครื่องเผากิเลสรวมความว่ามีความเพียรเครื่องเผากิเลสพึงประกอบความเพียรเครื่องเต่นอยู่ว่าด้วยความเกียด์คร้านคำว่าความเกียดคร้านในคําว่าพึงละเว้นความเกียด์คร้านความหลอกลวงเรื่องชวนหัวการเล่นเมถุนธรรมพร้อมทั้งการประดับตกแต่งได้แก่ความเกียด์คร้าน กิริยาที่เกียรคร้านภาวะที่เกียรคร้านความเป็นผู้มีใจเกียรคร้านความขี้เกียจกิริยาที่ขี้เกียจาวะที่ขี้เกียจนิตรัสเรียกว่าความเกียรคร้านคำว่าความหลอกลวงอธิบายว่าความประพฤติหลอกลวงตรัดเรียกว่าความหลอกลวงคนบางคนในโลกนี้ประพฤติจิติกกายวาจาใจแล้วตั้งความปรารถนาชั่วซาม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 ในวินัยของพระอริยะการหัวเราะเกินประมาณหัวเราะจนเห็นฟันนี้เป็นกิริยาของเด็กว่าด้วยการเล่นสองอย่างคำว่าการเล่นได้แก่การเล่นสองอย่างคือหนึ่งการเล่นทางกาย2การเล่นทางวาจาการเล่นทางกายเป็นอย่างไรคือคนย่อมเล่นกีฬาบังคับช้างบ้างเล่นกีฬาบังคับม้าบ้าง เล่นรถเล่นธนูเล่นหมากลูกแถวละแปดตาหรือเล่นหมากลูกแถวละสิบตาเล่นหมากเก็บเล่นโดดเล่นหมากไหวเล่นโยนบวงเล่นไม้หึงเล่นฟาดให้เป็นรูปต่างๆเล่นสกาเล่นเป่าใบไม้เล่นถ่ายเล็กๆเล่นหกเขมรเล่นกลังหันเล่นตวงทรายเล่นรถเล็กๆเล่นธนูเล็กๆเล่นเขียนทรายเล่นทายใจ เล่นล้อเลียนคนพิการนี้ชื่อว่าการเล่นทางกายการเล่นทางวาจาเป็นอย่างไรคือการทำเสียงกลองด้วยปากทำเสียงพินพาดด้วยปากเล่นรัวกลองด้วยปากผิวปากกระดะปากเป่าปากซ้อมเพลงโห่ร้องขับร้องเล่นตลกนี้ชื่อว่าการเล่นทางวาจาทาเนียมของอาศับบุรุษคือทมเนียมของชาวบ้าน ทำเนียมชั้นต่ำทำเนียมที่เลวทรามทำเนียมที่มีน้ำเป็นที่สุดทำเนียมที่ปฏิบัติกันในที่ลับทำเนียมที่ต้องปฏิบัติกันเป็นคู่คู่ชื่อว่าเมถุนธรรมเพราะเหตุไรจึงตรัสเรียกว่าเมถุนธรรมเพราะธรรมนั้นเป็นทำเนียมของคนคู่ผู้กำหนัดกำหนัดนักเปียกชุ่มกลัดกลุ่มด้วยราคาถูกราคาครอบงำจิตเสมอกันทั้งสองคน เพราะเหตุนั้นจึงตรัดเรียกว่าเมถุนธรรมคนสองคนก่อการทะเลาะกันคนสองคนก่อการบาดหมางกันคนสองคนก่อเรื่องอื้อเฉากันคนสองคนก่อการวิวาทกันคนสองคนก่ออธิกรกันคนสองคนสนทนากันคนสองคนเจรจากันเรียกว่าคู่เจรจาฉันใดธรรมนั้นเป็นธรรมเนียมของคนคู่ผู้กำหนัด กำหนัดนักเปียกชุ่มกลัดกลุ่มด้วยราคะถูกราคาครอบงำจิตเสมอกันทั้งสองผลฉันนั้นเหมือนกันเพราะเหตุนั้นจึงตรัสเรียกว่าเมถุนธรรมว่าด้วยการประดับตกแต่งสองอย่างคําว่าการประดับตกแต่งได้แก่การประดับตกแต่งสองอย่างคือ 1. การประดับตกแต่งของครหัด ส, สอการประดับตกแต่งของบรรปชิต การประดับตกแต่งของคฤหาสเป็นอย่างไรคือการแต่งผมการแต่งหนวดการทัดดอกไม้การประพรมเครื่องหอมการย้อมผิวการใช้เครื่องประดับการใช้เครื่องแต่งตัวการนุ่งผ้าสวยงามการประดับข้อมือการโพกผ้าโพกศีรษะการอบตัวการนวดตัวการอาบน้ำการดัดตัวการส่องกระจกการทาเปลือกตา การสวมพวงดอกไม้การทาปากการเจิมหน้าการผูกข้อมือการเกล้าผมการใช้ไม้เท้าการใช้ธนารการใช้พระขันการใช้ร่มการสวมรองเท้าสวยงามการติดกรอบหน้าการปักปิ่นการใช้พัดการนุ่งผ้าขาวการนุ่งผ้าชายยาวนี้ชื่อว่าการประดับตกแต่งของพรรหัด การประดับตกแต่งของบรรพชิตเป็นอย่างไรคือการตกแต่งจีวรการตกแต่งบาดการตกแต่งเสนาชนะการตกแต่งการประดับประดาการเล่นสนุกในการประดับความเพลิดเพลินในการประดับความปรารถนาการประดับความเป็นผู้ปรารถนาการประดับเวรลยาที่ประดับความเป็นกุริยาที่ประดับร่างกายอันเน่าเปื่อยนี้หรือบริการอันเป็นภายนอก นี้ชื่อว่าการประดับตกแต่งของบรรปชิตคําว่าพึงละเว้นความเกียดคร้านความหลอกลวงเรื่องชวนหัวการเล่นเมถุนธรรมพร้อมทั้งการประดับตกแต่งอธิบายว่าพึงละเว้นคือบรรเทาทําทให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความเกียดคร้านความหลอกลวงเรื่องชวนหัวการเล่นและเมทุนธรรม พร้อมทั้งการประดับตกแต่งคือพร้อมทั้งบริวารพร้อมทั้งบริพันธ์พร้อมทั้งบริขารรวมความว่าพึงละเว้นความเกียดคร้านความหลอกลวงเรื่องชวนหัวการเล่นเมถุนธรรมพร้อมทั้งการประดับตกแต่งด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุไม่พึงหลับมากมีความเพียรเครื่องเผากิเลสพึงประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่ พื่ละเว้นความเกียดคร้านความหลอกลวงเรื่องชวนหัวการเล่นเมทุนธรรมพร้อมทั้งการประดับตกแต่งหนึ่งสองพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ผู้นักถือพระรัตนตรัยไม่พึงประกอบการทำอาถรรพ์การทำนายฝันการทำนายลักษณะหรือแม้การดูเลิกยามไม่พึงเรียนการทำนายเสียงสัตว์ร้องการปรุงยาให้ตั้งคันและการบำบัดรักษาโรคว่าด้วยการทำอาถรรพ์คำว่าไม่พึงประกอบการทำอาถรรพ์การทำนายฝันการทำนายลักษณะหรือแม้การดูเลิกยาม อธิบายว่านักทมอาถรรพ์ย่อมพากันประกอบอาถรรพ์เมื่อนครถูกล้อมหรือเมื่อสงครามตั้งประชิกันก็ทำให้เสนีย์เจรไรเกิดขึ้นทำให้อันตรายเกิดขึ้นทำให้โรคเกิดขึ้นทำให้มีอาการจุกเสียดทำให้มีอาการลงรากทำให้มีอาการเสื่องซึมทำให้เกิดโรคบิดในหมู่คนที่เป็นข้าศึกเป็นศัตรูกัน นักทมอาถรรพากันประกอบอาถรรพ์อย่างนี้ว่าด้วยการทำนายฝันพวกนักทานายฝันย่อมทานายฝันว่าคนฝันเวลาเช้าจะมีผลอย่างนี้คนฝันเวลาเที่ยงจะมีผลอย่างนี้คนฝันเวลาเย็นจะมีผลอย่างนี้คนฝันเวลาปฐ LIKE มย <ด |hi|> ามฝันเวลามัธยมยามฝันเวลาปัจฉิมยามคนมนอนตะแคงขวาฝัน คนนอนตะแคงซ้ายฝันคนนอนหงายฝันคนนอนคว่ำฝันคนฝันเห็นดวงจันทร์คนฝันเห็นดวงอาทิตย์คนฝันเห็นมหาสมุทรคนฝันเห็นขุนเขาสิเนรุคนฝันเห็นช้างคนฝันเห็นม้าคนฝันเห็นรถคนฝันเห็นพลเดินเท้าคนฝันเห็นกระบวนทัพคนฝันเห็นสวนที่น่ารื่นรมคนฝันเห็นป่าที่น่ารื่นรม คนฝันเห็นพื้นที่ที่น่ารื่นรมคนฝ like ันเห็นสระน้ำที่น่ารื่นรมจะมีผลอย่างนี้พวกนักทานายฝันย่อมทำนายฝันอย่างนี้ว่าด้วยการทำนายลักษณะพวกนักทานายลักษณะย่ mmm อมทำนายลักษณะคือลักษณะแก้วมณีลักษณะไม้พลองลักษณะผ้าลักษณะดาบลักษณะศรลักษณะธนูลักษณะอาวุธ ลักษณะสตรีลักษณะบุรุษลักษณะเด็กหญิงลักษณะเด็กชายลักษณะทาสหญิงลักษณะทาสชายลักษณะช้างลักษณะม้าลักษณะกระบือลักษณะโคอุสภะลักษณะโคสามันลักษณะแพะลักษณะแกะลักษณะไก่ลักษณะนกกระทาลักษณะเฮี้ยลักษณะต้มหูลักษณะเต่า ลักษณะมรึกพวกนักทานายลักษณะย่อมทำนายลักษณะอย่างนี้ว่าด้วยการดูเริกยามพวกนักทำนายเริกยามย่อมทำนายเริกยามว่าเลิกมียี่สิแปดเิกควรทำงานมงคลขึ้นบ้านใหม่โดยเริกนี้ควรทำงานมงคลผูกเครื่องประดับโดยเริกนี้ควรทำงานมงคลแต่งงานโดยเริกนี้ ควรทำงานมงคลปลูกเพิดโดยเลิกนี้ควรทำงานมงคลครองเรือนโดยเริกนี้พวกนักทานายเริกยามย่อมทำนายเลิกยามอย่างนี้คำว่าไม่พึงประกอบการทำอาถรรพ์การทำนายฝันการทำนายลักษณะหรือแม้การดูเริกยามอธิบายว่าไม่พึงประกอบเือไม่พึงประพฤติไม่พึงประพฤติโดยเอื้อเฟื้อไม่พึงสมาทานประพฤติ การทำอาถรรพ์การทำนายฝันการทำนายลักษณะหรือแม้การดูเรกยามอีกในหนึ่งไม่ควรเรียนไม่ควรท่องไม่ควรทรงจำไม่ควรเข้าไปทรงจำไม่ควรเข้าไปกำหนดไม่ควรประกอบการทำอาถรรพ์เป็นต้นรวมความว่าไม่พึงประกอบการทำอาถรรพ์การทำนายฝันการทำนายลักษณะหรือแม้การดูเรกยาม คำว่าผู้นักถือพระรัตนตรัยไม่พึงเรียนการทำนายเสียงสักรร้องการปรุงยาให้ตั้งคันและการบาบัดรักษาโรคอธิบายว่าเสียงเนื้อมรึกและเสียงนกร้องตรสเรียกว่าเสียงสักรร้องพวกนักทำนายเสียงเนื้อและเสียงนกร้องย่อมทำนายเสียงเนื้อและเสียงนกร้องคือรู้จักเสียงร้องเสียงเจรจากันของพวกนก หรือพวกสัตว์สี่เท้าพวกนักทำนายเสียงเนื้อและเสียงนกร้องย่อมทำนายเสียงเนื้อและเสียงนกร้องอย่างนี้พวกคนปรุงยาให้ตั้งคันได้ก็ทำให้ตั้งคันขึ้นคันย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะเหตุสองอย่างคือหนึ่งเพราะเชื้อโรคสองเพราะลมกำเริบพวกคนปรุงยาให้ตั้งคันย่อมให้ยาเพื่อกำจัดเชื้อโรคหรือบาบัดลมกาเริบ พวกคนปรุงยาให้ตั้งคันได้ก็ทําทให้ตั้งคันขึ้นอย่างนี้ว่าด้วยการบําบัดรักษาโรคคําว่าการบําบัดรักษาโรคได้แก่การบําบัดรักษาโรคห้าอย่างคือ 1. การรักษาด้วยการเสกเป่า 2. การรักษาด้วยการผ่าตัด 3. การรักษาทางยา 4. การรักษาทางพูดผี หาการรักษาโรคเด็กกูมารเวสคําว่าผู้นับถือพระรัตนตรยัยได้แก่ผู้นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ผู้นั้นนับถือพระผู้มีพระภาคว่าของเราพระผู้มีพระภาคก็ทรงรับรองบุคคลนั้นสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพิกษุทั้งหลายพิกษุเหล่าใดเป็นผู้โคโกงแข็งกระด้างพูดพล่อย เกลี่ยกลายมีมานะจัดมีจิตไม่มั่นคงภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นไม่ใช่ผู้นับถือเราเป็นผู้ไปจากธรรมวินัยนี้แล้วและภิกษุเหล่านั้นจะไม่ถึงความเจริญงอกงามไพ่บูรในธรรมวินัยนี้ส่วนภิกษุเหล่าใดไม่คดโกงไม่พูดพล่อยเป็นนักปราดไม่แข็งกระด้างมีจิตมั่นคงภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้นับถือเรา เป็นผู้ไม่ไปจากธรรมวินัยนี้และภิกษุเหล่านั้นจะถึงความเจริญงอกงามไพูโบ์ในธรรมวินัยนี้พระผู้มีพระภาคผู้สุคตสาสดาครั้นตรัสเวยากรพากันส็นี้แล้วจึงตรัสสถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าภิกษุทั้งหลายผู้คดโกงแข็งกระด้างพูดพล่อยกีย่กรายมีมาณะจัดมีจิตไม่มั่นคง ย่อมไม่งอกงามในธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงแล้วส่วนภิกษุทั้งหลายผู้ไม่คดโกงไม่พูดพล่อยเป็นนักปราชญ์ไม่แข็งกระด้างมีจิตมั่นคงย่อมงอกงามในธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงแล้วคาว่าผู้นับถือพระรัตนตรัยไม่พึงเรียนการทานายเจียงสัตร้องการปรุงยาให้ตั้งคันและการบำบัดรักษาโรค อธิบายว่าผู้นับถือพระรัตนตรัยไม่พึงเรียนเพือไม่พึงเล่าเรียนไม่พึงเสรพร้อมไม่พึงเสรเฉพาะไม่พึงประพฤติไม่พึงประพฤติเอื้อเฟื้อไม่พึงมาทานประพฤติการทํานายเสียงจัดร้องการตรุงยาให้ตั้งครันและการบําบัดรักษาโรคอีกในหนึ่งไม่ควรเรียนไม่ควรท่องไม่ควรทรงจําไม่ควรเข้าไปทรงจําไม่ควรเข้าไปกําหนด ไม่ควรประกอบการทํานายเสียงสัตวด ร, ร้องเป็นต้นรวมความว่าผู้นับถือพระรัตนตรัยไม่พึงเรียนการทํานายเสียงสัด ร, ร้องการปรุงยาให้ตั้งครันและการบําบัด ร, รักษาโรคด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าผู้นับถือพระรัตนตรัยไม่พึงประกอบการทําอาถรรพ์การทํานายฝันการทํานายลักษณะหรือแม้การดูเราะยาม ไม่พึงเรียนการทำนายเสียงสัตว์ร้องการปรุงยาให้ตั้งคันและการบำบัดรักษาโรคหนึ่งสาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุไม่พึงหวั่นไหวเพราะการนินทาได้รับการสรรเสริญแล้วก็ไม่พึงลำพองตนพึงบรรเทาความโลภพร้อมทั้งความตรณีความโกรธและวาจาส่อเสีย ว่าด้วยไม่วันไหวเพราะนินทาและสรนเสริญคาว่าไม่พึงวันไหวเพราะการนินทาอธิบายว่าคนบางพวกในโลกนี้พากันนินทาคือติเตียนว่าร้ายภิกษุด้วยชาติบ้างด้วยโคดบ้างด้วยความเป็นบุตรของผู้มีตระกูลบ้างด้วยความเป็นคนมีรูปงามบ้างด้วยทรัพย์บ้างด้วยการศึกษาบ้างด้วยหน้าที่การงานบ้าง ด้วยหลักแห่งศิลปะวิทยาบ้างด้วยวิทยาฐานะบ้างด้วยความคงแก่เรียนบ้างด้วยปฏิภานบ้างด้วยสิ่งอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วบ้างภิกษุผู้ถูกนินทาติเตียนว่าร้ายแล้วก็ไม่พึงหวั่นไหวไม่พึงสันเทาไม่พึงกระสับกระส่ายไม่พึงหวาดเสียวไม่พึงครั่นคร้ามไม่พึงเกรงกลัวไม่พึงหวาดกลัวไม่พึงถึงความสะดุ้งกลัว เือไม่พึงคลาดไม่พึงหวาดเสียวไม่พึงสะดุ้งไม่พึงหนีไปเพราะการนินทาเพราะการติเตียนเพราะการว่าร้ายเพราะความเสื่อมเสียเกียตรติเพราะถูกกล่าวโทษพึงเป็นผู้ละภัยและความหวาดกลัวได้แล้วหมดความขนพองสยองกล้าวอยู่รวมความว่าไม่พึงหวั่นไหวเพราะการนินทาคําว่าภิกษุ ได้รับการสรรเสริญแล้วก็ไม่พึงลำพองตนอธิบายว่าคนบางพวกในโลกนี้พากันสรรเสริญเพือชมเชยยกย่องพรนานาคุณภิกษุด้วยชาติบ้างด้วยสิ่งอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วบ้างภิกษุได้รับการสรรเสริญเพือชมเชยยกย่องพรนานาคุณแล้วก็ไม่พึงทําความลำพองตนคือไม่พึงทําความเย่อหยิ่งไม่พึงทาความถือตัว ไม่ถึงทำความหัวดือ้อไม่พึงให้เกิดความถือตัวไม่พึงเป็นคนจองของปั้นปึงหัวสูงเพราะการสรรเสริญการชมเชยการยกย่องการพนานาคุนนั้นรวมความว่าที่สุขได้รับการสรรเสริญแล้วก็ไม่พึงลำพองตนคําว่าความโลภในคําว่าพึงบันเทาความโลภพร้อมทั้งความตรณีความโกรธและวาจาส่อเสีย ได้แก่ความโลภ ก, กริยาที่โลภภาวะที่โลภความกำหนัดนักกิริยาที่กำหนัดนักภาวะที่กำหนัดนักอภิชาอากุศลลมูลคือโลภะคําว่าความตรนีได้แก่มัจฉริยะห้าอย่างคือหนึ่งอาวาสัมฉริยะความยึดถือตรัสเรียกว่าความตรนีคําว่าความโกรธได้แก่ ใจปองร้ายมุ่งร้ายขัดเคืองขุ่นเคืองเพืองเคืองมากเพืองตลอดชังชิงชังเกลียดชังใจพยาบาทใจแค้นเคืองความโกรธวิริยาที่โกรธภาวะที่โกรธความคิดประทุเร้ายิริยาที่คิดประทุเร้ายภาวะที่คิดประทุเร้ายความคิดปองร้ายยุริยาที่คิดปองร้ายภาวะที่คิดปองร้าย ความโกรธความแค้นความดุร้ายความเกลีก้ยกล่าดความไม่แช่มชื่นแห่งจิตคําว่าวาจาส่อเสียดได้แก่คนบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีวาจาส่อเสียดฟังจากข้างนี้แล้วไปบอกข้างโน้นเพื่อทำลายคนหมูนี้หรือฟังจากข้างโน้นแล้วไปบอกข้างนี้เพื่อทำลายคนหมูโน้นด้วยวิธีนี้ก็ทำคนที่สำคีให้แตกแยก หรือสนับสนุนผู้ที่แตกแยกกันแล้วชอบการแบ่งพวกแบ่งเหล่ายินดีการแบ่งพวกแบ่งเหล่าสนุกกับการแบ่งพวกแบ่งเหล่าผู้แต่เรื่องก่อให้เกิดการแบ่งพวกแบ่งเหล่านี้ตรัสเรียกว่าวาจาส่อเสียดอีกนายหนึ่งบุคคลย่อมนำวาจาส่อเสียดเข้าไปด้วยเหตุสองอย่างคือหนึ่งด้วยประสงค์ให้ตนเป็นที่รักสองด้วยประสงค์ให้เขาแตกกัน บุคคลย่อมนำวาจาส่อเสียเข้าไปด้วยประสงค์ให้ตนเป็นที่รักเป็นอย่างไรคือบุคคลย่อมนำวาจาส่อเสียเข้าไปด้วยประสงค์ให้ตนเป็นที่รักด้วยคิดว่าเราจักเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่คุ้นเคยเป็นที่สนิทสนมเป็นที่ดีใจของผู้นี้บุคคลย่อมนำวาจาส่อเสียเข้าไปด้วยประสงค์ให้ตนเป็นที่รักเป็นอย่างนี้ บุคคลย่อมนำวาจาส่อเสียดเข้าไปด้วยประสงค์ให้เขาแตกกันเป็นอย่างไรคือบุคคลย่อมนำวาจาส่อเสียดเข้าไปด้วยคิดว่าทำอย่างไรชนเหล่านี้พึงเป็นคนแปลกแยกแตกต่างเป็นพักเป็นเหล่าเป็นสองพวกเป็นสองฝักสองฝ่ายแตกแยกไม่ปร่งดองกันอยู่ลําบากไม่สบายบุคคลย่อมนำวาจาส่อเสียดเข้าไป ด้วยประสงค์ให้เขาแตกกันเป็นอย่างนี้คําว่าพึงบรรเทาความโลภพร้อมทั้งความตรณีความโกรธและวาจาส่อเสียดอธิบายว่าพึงทุเลาพึงบรรเทาคือละบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความโลภความตรณีความโกรธและวาจาส่อเสียดรวมความว่าพึงบรรเทาความโลภพร้อมทั้งความตรนี